สามสิบเอดทรอสตีทร์อีอเดนที่ร้านอาหารสามวอร์เรสตอรันตรนีดิฉันอยากได้ออเดอร์ฟค่ะ ย่าส์บิสะกัลหนึ่งปริยาเดนีย่าส์บิสะกัลลา a นึ่งดิฉันอยากได้สลัดค่ะย่าส์บ к สะกัลหนึ่งสลัดย่าส์บิสะกัลลาหนึ่สลดิฉันอยากได้ซุปค่ะยสบิสะกัซุ Yes บละ1ซุปเปอดิฉันอยากได้ของหวานค่ะ Yes บิสกิต d e s e r t s บิสกิ dessert ดิฉันอยากได้ไอสครีมใส่วิปครีมค่ะ Yes บิสอเลตซล s ะ yes, อิเด с สลัดเลตสุชลักดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะยั้งไม่สัก o อลโอวุชเยหรือซีเรนเยยั้งไม่ส o กกอ ili วุชเยหรซีเรนเเราต้องการทานอาหารเช้า n i ่สักเม่ดะพอยาดูว่าเ นี่สักเม่ด้าปุยดูวาเราต้องการทานอาหารกลางวันนี่สักเม่ดารุชามเ่นี่สักเราเราต้องการทานอาหารเย็นนี่สักเม่ด้าเวเชรามเ่นี่สักเ อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะ่ะพด็คือสักแต่จะ็ขนมปังกับยมและน้ำผึ้งไหมคะเล็บชิญยาโซลอบมาร ม, ล, ามลัมมลดอเมตขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ ท о с т ต о к о ก б а с и и с и р е ส е Тост со Колбаси и с อ р е њ е สิริไข่ลวกไหมคะเดี่ยวว่าเรนอุยไกเซ่เดี่ยวว่อยไข่าดาวไหมคะเอยุย อ, อ ย, ย ออเมล็ตไหมคะเอเดนอเมล็ตเอเดนอเล็ตขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยคะ่ะมลำอุเตอเดนโยเกิร์ตมอุชเตอเดนโยเกิร์ตขอเกลือและพริกไทยด้วยคะ่ะมลัมอุชเตโซลอิบิเบอร์ม ขอน้ м เปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะ